เชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหพ่อชาติพัทโทวัดหนองปากโพจังหวัดอุบลราชธานีได้กเลยครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเมื่อใจรู้จักปล่อยวางก็วางสบายเชิญรับฟังกันได้เลยครับวันนี้เป็นโอกาสทีมาพบหลวงพ่อทั้งหลายอีกแล้ว จำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายเลยนะคำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายเ่าต้องข อ, อโอกาสด้วยใจยังไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดี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 ดูหเห็นอยู่แต่เขายังไม่รู้นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ความรู้ความเห็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมมัอยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันเป็นไมไปถูกต้นไม้มันเป็นไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี้เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมิฉะนั้นธรรมะที่พูดไป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 ตัวกรรมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรเลยวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเป็นเหตุที่ให้เปิดทุกข์มากจะเกินมิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมันนั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มาก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 ทำระครังใบนี้ให้โตขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งเดี๋ยวนี้เห็นระครังใบนี้ตอบไอลยยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวแค่นี้ถ้ากยกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนแต่พอระครังใบนี้มันเกิดแค่น มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำเองมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะีน่เนี่นี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอย่างนี้เห็นละฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระครังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นละรังใบนี้มันโตไปเอาบาตรปพะการโรมาตั้งตรงนี้ จะ่ดเห็นละคังใบนี้มันเล็กไม่โตใช่ไหมแต่บาดว่าปลกรโดงไม่มีนะอันนี้มันเล็กเอาบาดว่าปลกระมาตั้งทุบบรังคังนี้เล็กแล้วทําไมเป็นอย่งงางไนเล่าอืมทุกคนข้าหากว่าเห็นอ่าอละคังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้ อยากให้รังคังใบนี้ให้มันโตกว่านี้รังคังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ลังคังใบนี้อืมมันโตกว่านี้มาเห็นละคังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงละคังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตันหาแหละคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโต แต่ละรังใบนี้มันกว่าใบเล็กในโตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัญหาคือความอยากนี้ทำละครังใบนี้ให้โตขึ้นอย่างนี้ก็ได้ทำละครังใบนี้ให้เล็กลงได้นี้ก็ได้คือความหลงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะ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 อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดแร่าก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมั น, นดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคน ตั้งใจมาทํากรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสัมนัก ค, คุณแจ๊สนี่มันมป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าทีดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหม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 อันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเทางนั้นเนี่ยนามาอาศัยตรง น, นี้ไปช่วยกันขึ้นอีกเยือสามสิบเปอร์เซนแต่ประมานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย <c oughs> นี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือคือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนะั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอัตมานั่งกรรมาฐานใหม่ๆ่ ไม่อยากจะอะไยินอะไรมันกวนเราเอาขี้พึ่งมาอุดหูไว้ไม่ไปอยากให้ตาบอดมันจะดีึเงียบเอาขี้พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันมีเงียบมันวุ่น <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดไ่เออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดมันมันเป็นพระอรหันได้อย่างเงี้ยก็คิดไปอย่างเงี้ที่ทำไมรู้ เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงคําหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วอืมเดี๋ยวนี้มันก็ยังโงก่งโงก็ยังไม่หมดเหมือนกันหรืยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะี่ะดังนั้นจริงๆมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกะทํำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจมันสงบไปนั่งให้มันสงบนะ บางทีพอนั่งเป็นชิหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือเสียงรถมันฮือมาต่อไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะอนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราเออก็เลยไปนั่งทะเลาะ ก, กับอารมณ์อยู่นั่นเนี่ยไปนั่งทะเลาะ ก, กับเสียงคน<ม>ไปนั่งทะเลาะ ก, กับเสียงรถ ไปนัง่งเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็เรียกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินนี่นั่ไปทะเลาะกับรถนี่นั่นเนี่ยหารู้ไหมว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่ กงกันข้ามเลยเนียกว่าเขามากวนเราไอความจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่ารถมันมันกว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องยินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเราที่เรามานี่เราเดินมาด้วยนัง่งรถมาหรือเปลี่ยมาที่นี่รถมีเสียงไหมดิเราเดินมาที่นี่ นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างงี้หมปัญหาก็หมดถูกไหมนะ่ะนี่เราเลยวี่เร า, เ, ราเป็นเรารถเป็นรถลำในคนหน้าที่เราทางมันก็สบายอลยนะั่นเนี่ยอันนี้เราก็พ่อเราเียไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันทึ่งเป็นอยู่อย่างนี้ <S <S <S เป็นาเ น, น้า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 มีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทางหลายแล้วงรวมกันขอเป็ น, เ ป, นเป็นที่เป็นระเบียบเว็บอาคารหนังนี้มันเสร็จเดีย๋ยวนี้นั่งสบายไหมเจ ก, กะอะไรหนเะนี้ยเห็นอย่างงั้นพวกเราพวกเราทุกคนเรนนี่คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมาฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนมันไฟมันล้ อ, ลอคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนะเด็ยอย่างอาคารอยงนี้ตรงไหนควรเจ็บไปที่ไหนเด็กตรงไหนไว้ตรงไหนก็เจ็บไปตามที่มนันก็เดียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เจี๊ยก น, นั่งสบายเสียงมันก็ทบหูก็ปล่อยอยังคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะ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 รู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี้ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะมันอยู่โ น, น้นมันอยู่นี้นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบซะแต่เดี่ยวาการปล่อยวางเดี๋ยวก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิเดี่ยก็สบายรูปมาเสียงมากลิน่นมาก็ปล่อยมันแล้วก็เป็นเอกเป็นเอกเประจาจิตอยู่สบายนี่จะปัญญามันเกิดขึ้นนั้นแหละนี่ สิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างกันแล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอนโนนบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะอะไรบันนี้มันลุกมาเรียนงา น, นกฎที่มาทำดีมันเลยดีด ทำชั่วมันในชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก่อนนึกว่ามันดีแต่ไปทำมันแจ้มันในดีไอความไม่ ด, มดียังไม่เกิดขึ้นในเวรา น, นั้นบัดมานั่งแดีวมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านเหวกรรมกรรมมันอก่อกวนของเก่าเนี่ยนี่นไงต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทน ใช่นี่อัตมานี่นั่งใช่นี่มันตั้งเกือบจะอาหกสิบกว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่นี่วันสองวันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละจะมาพยายามใช่นี่มันมันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวามอยาไปทํามันขึ้นมา ถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อควรเวลานั้นมันก่อควรเดลานี้ไม่ก่อควรวันนี้ก็ก่อก่อควรพุงนี้ไม่ก่อควรเดือนนี้ก็ก่อควรเดือนหน้าไม่ก่อควรปีนี้ก็ก่อควรปีหน้าไม่ก่อควรชาตินี้ก็ก่อก่อควรชาติหน้าท่านจิงหวะดักพุทธศาสตร์ทําดีดีทําชั่ว้ชั่วให้เข้าใจว่าอย่างนี้อย่างนี้ให้จําไว้ อะสิ่งที่ทํามาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วกว่อนทามันแล้วไปเอ่สิ่งอนันอนาคตที่ที่จะสิ่งที่จะทําสิ่งที่มันก่อความวุ่นวายก็อย่าเพิ่งทํามันม ก, ก็ให้มันหมดค่อยค่อยค่อยๆหมดไปเหมือนนา้าเตะในขันเอนาหน้ามาเทใสเ่เต็มเนี่ยวันนี้ก็จัดอีกแก้วหนึ่งเทออกนะพรุ่งนี้ก็จักใส่อีกแคนะ่แก้วห น, นึ่งก็เทออกนะนานๆวันเดียวน้ําันก็หมด ถ้าจะเพสเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเสริมอีกแก้วนึงนะอย่างนี้ไอ้พู้ปริเวณนี้เอาีแก้วหนึ่งนะต่อเอามาีอีกแก้วหมดไม่ได้รมังเอามากมันจะหนักเลยนะมั้งเอาพอดีพอดีนะเข้าใจไหมเอาออกจะเอาเข้าอี ของเทียนในดีก็ควรบุญวายเอาออกออกเรืยเรียกประหมดนะเอาออกทมาใสา่ไม่หมดบุนวายเต็มทีเนะาะยากนะเออม่ไม่ไม่มก็ต้องเป็นอย่าง น, านั้นต้องเป็นอย่าง น, านั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทํางานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้ว ขี้เกียจก็ต้องฟื้นไปเพราะเราจะใช้เงินอย่างนี้คําสอนพระเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือป่าน่ะมันมันขวางเลยแต่ จ, จะไปทํางานแล้วมันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมาฐานเหมือนกันปั้นตะครางเฮงให้ลุกตื่นว่าอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วน่ะเห็นม มันต้องฝืนทึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียดก็ไม่มีใครมันั่งสมัสสารตักคนหนึ่งเลยใช่ไหม <c oughs> วันนี้รับผ่อนนะรับผ่อนซะไห้เก็บแสบหลายอย่างเลยควจะเป็นกรรมรับผ่ซ <c> ะ <oughs> <c oughs> ยัตถาวริบหาปุราปิดกเรนติตาตระหนวิมีวาอิโตดินนังเพตานังอุปคัปติอิจิตังปิดจิตังตุมหังกิพมีวะสุนิจเตวุสับเบกเรนตุสังกปายจันโทปนารสุยถามนิชติระสุยัตถเตโเววาจันโท นะโมพุทธอวโิโนมะโอตตะรยสุขตายโวะอภิวตนสีตนิังายตมมวะตอะยนสุขังมะร สัพพะมังกรังะันวะตาสัพพะาุาวสัสติวันุเตสัพพมงระันุสวะตาสัพพะธมุาวสัสติวันุเต ตถาภะมังกรังราคันโยตาพะเดวตาฌานราสังกาลุฟาวนาสตาโสตีหาวันเถิดหน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี้นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้ยเป็นเรื่องของโยมจะไปเอง ใครรีบกน็นั่งรถไปใครไปใจช้าก็เดิน ดี่นะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ไอ้ไอ้ชาวตะวันตกหไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังหน่อ <holidays> เฮเขาอาขึาา้นฟังมาเลยเดี๋ยวจะคิดถึงโยมอนนั้นนอยเนาะเอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบกพักท่านทาั้งหลายอีกแล้ว จำเป็นจะต้องขอโอกาสของท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นจะก็มีการถ่ายทอดสายหนังด้วยใช่หรอทุกวันที่ผ่านมามพูดถึงเรื่องกรรมาฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอียาบทของพระสงฆ์นในหนังด้วยวันนี้ วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงม์คืออะไรมีไหวทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกียวข้องกับประชาชน พุทธบริษัททางหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช mm. ่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ยังในอย่างหนึ่งแล้วจะต้องขอไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จากความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยาก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 ผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั่นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารพบคารวะประสงค์นั่นเองพัตนธรรมเมืองไทยประสงค์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารบคนเฒ่าคนแก่ให้คารพบพ่อแม่ให้คารบครูบาอาจารย์ตลอดมาด้ด้วยมา อันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างแล้วมันเสื่อมไปบ้างอ่ะเพราะว่าไฟน้ามันจะบายไฟมันจะหวางใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยน่ะเมืองนี้อจะมาพึ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เรือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้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 เห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราสั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยเจได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใจอว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากก็จะทำยังไงการมันเรื่องมากเกินไปทําไงเรื่องมากปัญหามันกว่ามากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาจจะมาแก้ปัญหาทุกวันได้ไหมมียังไงอันนี้พูดแต่คิดนะ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 อาตมามาเมืองนีเ้เห็นเราคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นเน่ยวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้านะ่ะเดินตือตะตือตะตอนเช้าที้วของนางนคนอย่างนีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอาตมายังไม่รู้นะ่ะอบรมกรรมาฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่เคยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ถ้ากว่าเอาแก่มาเป็นยังไงเป็นยังไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอาจะมาซึ่งเห็นจะ่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเรี่ยงลูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากรูปไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยอไปงั้นนี่ยัฒนธรรมนี่น่นาพิจารณาอยู่เหมือนกันนะ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 ผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้มาให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลา <c oughs> คุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ย อ, อก็เลยไปกันใหญ่อาจะมาตอไม่รู้จะว่าจะพูดยังไงนะอือ อันนี้พูดให้ฟังนนะไม่ใช่นินทานะขอโทษเลยนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อ่ะเราเก็บพมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะอะอะแต่ว่าเราอยู่อาคารใ ห, ใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆแต่อาหารจะไม่มีพิษไม่มีโทษแต่จะนอนอยู่สบาย อย่างนั้นใครจะ อ, อะไรไหมใครจะอาคารหลังใหญ่อยู่หลังเล็กนอนอาคารหลังใหญ่ถูกลูกศรนเขาสิ่งไปสิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหลังใหญ่หญ่มันช่วยดูหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ใคยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพูดไปมากมันมากไปเกินเนี่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 ทำแล้วไม่ไวุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามให้โกหกเจ้าของให้โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อานวยการวัฒนธรรมตัวของเรานี้มีตันหาเป็นผู้อำนวยการตันหาของพวกเรานี่ ่าวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตัญหาเป็นผู้อํานวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นอีบาปต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นอิบาปต่อไปหรือมีสุขในปจันนปจปจุบันแต่มีสุขเป็นอิบาปต่อไปวัฒนธรรมของตัญหานั้นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นอีบาปต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอันไรก็เอา ถ้าเป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทางในนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ ว, ว่าเราไปทํำทางในมันก่อนอย่งอางเราจะมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปถ้าอากาศสยาม น, นะเขาต้องตรวจนะเสียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยเราเสียบร้อยพัสดุ์นี้ไหมใบเดินทางมีไหมอะไรๆมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะค่อยไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่าย อันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบแล้วอืมไม่ค่อยสงบดีแน่นั้นอ่ะสีเราทำนี่จริงเป็นเรื่องสี่สาคัญอย่างหนี่งใครมีความเหลือยร่อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบนี่หรือเปล่าตรงนี้ตัวตดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของก้อนผัสผีเขาก็ได้เนะี่ยยังไม่สบายนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> นเป็นอย่างนั้น แล้วยามกระจายอันนี้ให้หมดไปหมดไปเดียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เขาตรวจแดี๋ยวก็ อ, อยู่ไปได้ขึ้นเครงดินไปได้สบายไม่มีอะไรถ้มามีอะไรเป็นของต้องห้ามอย่างนี้นไม่สบายดูนะั้นเน่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยนะอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะอืมส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเอง อาจจะมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นต่อ น, นั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายจะตรวจเอาเองไงนั่นเนี่ยถ้าเอา้องผิดอะไรมันผิดผิดก็เคี่ยวมันออกเคี่ยวมันดอ ก, มดอกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้ ว, ก, ลวก็สบายแค่นี้นัน่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นถ้าต้องมาตอบอารมณอยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศน์ให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเอง อืคอยจะหายแจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทียดให้ฟังยังนั่นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองมันมผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยใจคนอื่นอย่างเนี้ยเรื่องมันก็ไม่จบคราวนี้ก็พอแล้วนะถาคนถาคนหิวอาหารนี่ยไม่ต้องนั่งเป้าจํารับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหม มันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่าำมมันหมดอืมเจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดปัญหามากไปเกินตรงนี้เขาถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมี วัฒนธรรมของพุทธพุทเจ้านั้นอแต่ว่าทําไมเรื่องการบ้านการเมืองมันหยุ่นยากแท้ครับเอ้าวอันนั้นเป็่เรื่องของพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองตังหากกันนะ <c oughs> อย่างอย่างเมืองนี่กฎหมายดีอยู่ดีอยู่ทําไมยันถึงมีโจรมีขโมยอยู่วะ <c oughs> ที่ <c oughs> จะไปขโมยคนไม่ใช่กฎหมายไปขโมยในคนไปขโมยอยู่วะ <c oughs>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 อยู่ชาวบ้านด้วยาฝึกมฐานเนี่ะที่เขาอยู่ในบ้าน้จะมาฝึกกมอย่นีเพิ่มาวันนี้ขึงมาวันนี้น่าจะเกิดภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านะเนาะคพเมื่อใดอธิบายเรื่องโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของนั่นก็ไม่ถึงมีความหมายอย่างไร ยังไม่เคยโกโหกจากของื่องนั้นน่ะดูไปอีกเยอะเดียวเห็นแล้วดูอเออไม่ยินในจากของอะไรไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตจา ก, โ ก, โกจอของอะไรมันจะดูจักโกหกจกของไหมคนมันไม่ดูจักโกโหกจกของก็โกโหกคนอื่นด้วยไปทงนั้นเนี่ยก็ถามเรื่องขยจกของมากกว่าหลวพ <c oughs> ออธิบายไหมั <c oughs> อธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมยมันกงขโมยเท่านั้นอยาหยุดมันิ อธิบายอะไรไปอีกละ่ะก็หยุดมันเท่านั้นแม่ก็ไม่ขโ ม, มยตัวไปมันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโ ม, ม, มอยอะไรอีกละ่ะปัญหานี้ไม่ น, น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะขามาอะไรดูวันนี้ขามาเนี่ยนะกี่คนอยู่่ยี่สิบคนจะไปเมื่อไหรจะไปเมื่อไรไ<ป> แล้วพวกนี้ทํางานอะไรอ๋อนี่มึงไก่มันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักไปยังให้มึงนอกจะให้เป็นซสให้ปลูกมีไว้อยากให้มันกินจะดีกว่าเนาะแล้วมันกถ้ามันกินผักไปไงมันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักให้กินอยาให้มันกินเมืองไก่ เราเหมือน <c oughs> อยาเป็นตามชนระ บ, บุต์จะมังใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากรับกกอยู่ตามงานนอกอมีเกี่ยวก่ประเพณีท่านั่นน่ะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปโหเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จกักหรอกอืเขากินเขาเนี้ยก็กินเขาเนี้ยก็เขาไปก็กินปลาล่าก็กินปลาล่าก็เขาไปนานๆมันก็หลายเดือนเอนเีน้ยมันก็ติดเมืองไทยแต่คงคิดเป็นปลาล่า ม, มากไม่ได้ <c oughs> อันนั้นเป็นกองเชื่อมในง่ายครับมีอะไรนะมัหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะมันก็คงไมค่ค ย, ยากอะไรเท่าไหรนะ่พวกเรามากาอะไรล่ะมากีบเดือนจี่จีแล้วนะก็ะอพอละมะะันงเลสอนไปเพิ่มยิ่งมันจะเลือกกระบุ้งละมังนี่จะพายไปไหวไหม น, นะค่อยๆ ค, คนรับเดลรับไปเยอะมากเถอะ รับที่น้อยเาใจขย า, ายไปไม่ศึกษาด้วยตัวเองแต่คนเราไปตรงนะไหนเมื่อไรถราจะกลับละ่ะนะสบายมนะั้ย <c oughs> มันสบายเถอะอย่าให้มันไม่สบายหรอกสบายไอ้ความสบายนี่ก็สำคัญนะ เป็นสีเก่าอยู่นี่มันปวดเป็นไงอยู่สบายมั้ยสบายทาั้งปวดสีอยู่นี่มีเพื่อนมาเห็นกันอสักอนนึอยู่สบายมั้ยสบายไม่รั่ว ม, มันดูดไปเมื่ อ, อไรเว <laughs> <laughs> ลาที่ไหนเวลา พอเลยอืมใหญ่กว่ามันมากเลยนะสงสัยเ ง, ส ง, า, งาสิครับผมผมสงสัยสันสันคือพวกเขาในเงาแค่ครึ่่งมง้ <c oughs> เป็นไงเ <c oughs> ขาไม่อมะไร า, ามเท่ถามหร่ครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วขเขาอยากจะให้เราสอาบด้วยนะครับ <c oughs> คําเปนั่นะอาจารย์คลำคลำเรื่อยไปเนี่ยอ่าเป็นอาจารย์คลาตาในก็คืออาจารย์คลาตานอกเห็นเนีนี่มันคืออะไรใส่ใจเราคลาให้เป็นอาจารย์คลำ <c oughs> ต, ตาใจมันจะสว่างขึ้นตรงนั้นแต่คลำเรื่อยไปเถอะเรื่องความเจริญในโลกนะครับหพอเห็นว่าเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ ไม่ได้อํานวยการปฏิบัตเิเรื่องศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงได้สมดุลนะครับมีทั้งสองอย่างโลกโลกจเจริญแต่มันมืดแต่มันจเจริญขึ้นเห็นไหมโลกโกท่านแปลว่าความวามืดโลกเจริญก็คือความมืดมันจเจริญไฟฟ้ามันจเจริญขึ้นสะลวกมากตาคนก็ยิ่งบอดก็ไปทุกวันทุกวัน น้ำะดวดเทไร่กคนก็ยิ่งไม่อาบน้ำ ม, มันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกมันสะดวกได้แต่คนมาหลงสุกซะหลงความสว่างซะหลงน้ำซะหลงความสุขซะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองกันนั้นไม่มีอะไรนะเป็นเห้โทษโลกอะ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 ความผิดนะันมันผิดถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วเราก็เลิอกอย่าไปทาอย่างนั้นเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อย่างนั้นโ <c oughs> อ, อ้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> เพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกต่อไป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 เกี่ยวถึงเรื่องการเป็นมาของอพุทธศาสนากับทางผู้ที่ประกาศพุทธศาสนาเป็นเบื้องแรกทีนี่รู้สึกว่ามันบกช่องเป็นบางอย่างทีนี่จะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในการกระทำของพวกเราทั้งหลายพูดถึงในข้างพุทธการที่พระพุทธเจ้าของเรา ประกาศพระศาสนานั้นคือมีสิ่งที่จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเรื่องใสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกขั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธศาสนานั้น ในคนเตียงสองคนตอนนั้นเป็นครั้งแรกต่อมามีความเรื่งสายขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมาจึงมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึงถึงห้าคนต่อห้าคนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงถึงวันนี้ <c oughs> <c oughs> คือให้เป็นเครื่องหมายทั้งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรัย คือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์เพื่อให้พุทธบริศักดิ์นีความเรื่องใสามากขึ้น <c oughs> เช่นว่าอ่ารัตนะทันแปลว่าแก้วประเภทหนึ่งแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นรัตนะเป็นรัตน ก, กายด้วยพระศาสนาที่จเจริญมาทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหลัก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 เราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธธรรมประสงค์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธธรรมประสงค์เราจะยืมก็ยืนอยู่กับพระพุทธธรรมประสงค์คือพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจชื่อไม่ถึงพระพุทธธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าอย่างเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุดัชนีประมาณนานท่านกบ เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมราเมื่อเราทุกวนันนี้ประชาชนจังหลายก็เข้าใจว่าอ่าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเราเมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเสวนารำพันเนื่อว่าท่านตายแล้วเราก็ลองคิ ด, ค, ดคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมที่ธาตุดตัตตกุมารคนนั้นคือมารูธธรรมะ มารู้ธรรมะมธรรมะเป็นเครื่องกัตถรูของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายอืมก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าคือท่านคนา้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านเห็นธรรมะท่านตรงนีเป็นพระพุท ธ, ธเจ้า ฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจริงไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อันจริงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความจริงจริงเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณการท่านจึงทำโลหะนี่เป็นรูปพระนะ ใ ห, ให้เด็กๆันมาเห็นนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบโลหะเนี่ยเออคนนี้ว่าพระพุทธเจ้ากราบ เ, าเฉยๆนับถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็แปลกนะเมื่อญี่ปุ่นทําขึ้นคือมันญี่ปุ่นเมื่อคนจีนทําขึ้นคือมันคนจีนเมื่อแขกทําขึ้นคือมันแขกเมื่อไทยาาทําขึ้นคือมันไทยเมื่อเราทําขึ้นคือมันเราดูดิเไ ป, ไป็นไงเปลาน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 น้นท่านเรียวกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความลหลงไหลอยู่อย่างนั้นโดยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยนี้ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไม่หายความเมดือดร้อนไม่หายก็ดีว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้ใครเนี้ยเป็นต้น อันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพูดอย่างนี้จะไปดูถูกเถอะนะบางทีจะมาหามทํำไปทิ้งในป่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้ะคงให้แสดงให้เด็กๆข้างในฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองไม่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปัน้นรูปคนนี้เป็นโลหะเหมือนเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้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 ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปถึงนี้ยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยูอพพ่พระพุทธเจ้าลีพผานไปแล้วพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั้นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรเนี่ย ถ้ามีความรู้ชัดเจนใจรู้เลยมันเกิดมาจากอันนั้นแล้วก็ไปทําลายเหตุนั้นเที่ยไ อ, อความถูกมันเกิดมาจากตรงไห น, นตอนรู้จากเหตุมันเกิดมาอย่างนั้นให้มีความรู้อย่างนี้กราบพระพุทธเจ้าที่เกิดประโยชน์นับถือพระพุทธเจ้าที่เกิดประโยชน์ถ้าคนไม่เข้าใจถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็เดี๋ยวว่าไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าองค์นั้น ทุกเกิดขึ้นมา ก, ก็จะหายไปหรือทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความกัตถะรู้ตามความเป็นจริงแล้วอือะไรที่เป็นเหตุในทุกเกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกก็รู้จักอะไรเป็นทุกก็รู้จักอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติถึงความรับผูก้ก็รู้จักแปลว่าทุกขมันเกิดไม่ได้ข้อความรู้ตามจริงๆเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยัง ไม่ตายในนี้ยังเหลืออยู่คือความจริงยังมีอยู่พระสงฆ์เล่าที่มีจิตใจกั s t r e อย่างนั้นรู้ขึ้นมาแล้วพอพระสงฆ์นี่เขาปฏิบัติตามธรรมะนั้น<ม>เช่นว่าเราเนี่ยมีกายมีวาจามีจิตใจรวมปฏิบัติตามธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าทราตรัสไว้นานข้อเดียว่าพระสงฆ์ทั้งนั้น แค่นั้นลักษณะทั้งสามประการนี้คือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์เนียกจากกันไม่ได้รวมกันอยู่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เรามาทําใจของเราเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่ใจเรานี้บางคนก็ไม่สบายใจแม่อยากจะไปนู่นไปอินเดียที่พระพุทธเจ้าเกิดแน่ จะไปทํากรรมฐานตรงนั้นกัจจารู้ตรงนั้นกันฐิพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอาจามาเรียบอกว่าอ้พระพุทธเจ้าไม่กัจจรู้ตรงนั้นหรอกไม่มีพานตรงนั้นในกัจจรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่กัจจารู้เลยธรรมอริยสัจไม่ได้กัจจารู้ตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นก็ไปกราบส่วนโพนั่นที่กัจจารู้ที่กันฐิพานก็ดีใจแหลโอ้ ใน ไ, ไปกล่าวพระพุทธเจ้าเลยดีใจแล้วลมาบ้านนะครับมากินเหล้าเลีย้ยงสมบัยนั่นไงคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้พูดในคนไทยนะพูดในคนเมืองไทยเห็นมาเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่เนี้ยเป็นอย่างนี้เองคือเราไม่เห็นพระพุทธรประสมามะสง์ตามความจริงถ้าเราเห็นพระพุทธตามเป็นจริง ก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่จริอย่างเห็นพระพุทธปลอมแต่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระพุทธพระธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงฆ์จริงขึ้นมาความสงสัยแี่ไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นเออถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมีทังหลายให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้น อเคลื่อนจากองค์นี้ไปองค์นี้เอาเป็นเอาเป็นไออดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่านั้นที่นี้ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบแค่นู่นกายแค น, นู้นจะกราบถึงแขนนี้กราบถึงแคนนี้มันก็ถึงโลหะเท่านั้นจวกลับไปบ้านมันก็เป็นโลหะอย่างเก่ามาแลนะ้วเนี่ยถ้ากราบถึงผ้าเนี่มันต้องอะไรที่เราทําไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออก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 เนี่ยก็มองหน้ามองหลังกลัวเพื่อนจะเห็นเราเราจะไม่ได้ทํากลัวเจ้านายจะเห็นเรามองนั่นมองนี่ไม่เห็นใครแต่ก็ทำทำําแต่เพืดีใจนี่กว่าคนไม่เห็นเราที่คือคนโง่ถ้าคนฉลาดเนจะไม่มีธี่ทำหรอะไอ้ตัวที่เราไปทํานั้นเราไม่ใช่คนหรยออย่างนี้ไม่มีที่รักทําที่ไหนต้องรู้พระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมะต้องรู้ทําที่ไหนไม่รู้ไม่มี เนี่ยแต่บปัญญาคนไม่ถึงเส่ไหมมันจะทำความชั่วอะไรต่างๆอย่างเนี้ยกลัวคนจะเห็นใช่ไหมกลัวคนโน้นจะเห็นกลัวคนนั่นจะเห็นเนี่ยก็แอบๆไปทำอยู่ที่อยู่ที่ในน้ำหมักในห้องที่ต่างๆมัง่งเรียกว่าคนมาเห็นเราถ้าคิดในดีๆเนี่ยไอเราไม่ใช่คนเราเป็นคนทำไม่ใช่คนอนื่นก็ดูถูกเจ้าของเท่านั้นหองถ้าเราลรุกทำมากจริงๆทำที่ไหนไม่ได้ในห้องก็ทำไม่ได้ คนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเราเพราะเราเป็นคนอย่างเนี้ยฉะนั้นธรรมะของท่านานมีที่ปิดบังอะไรอนี้ฉะนั้นจริงให้ถือเป็นแบบเป็นดัชไีรจอันรืดอันประเสริฐถ้าทำมาตั้งอยู่ในใจของเราแล้วจะทําความชั่วไม่ได้กันแล้วเราทุกคนซึ่งมาปฏิบัตินี้ถ้าจิตใจได้ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นนะ่ะออจะมีความสงบเพราะว่า ไม่กล้าทำความชั่วหรือความผิดอะไรขึ้นมาเลยนี่เพาะเห็นว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของเราแล้วถ้าทำอยู่ที่ใจของเราแล้วพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้วทีนี้พระสงฆ์ก็ต้องปกครองจะต้องรักษาเราก็คือใจเรานั่นเองมันเป็นพุทธมันเป็นธรรมเป็นสงแล้วบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องดูแล ร, รักษาตัวเราเองให้มีความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้น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 เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจริงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาไปช่วยเพราไว้ในใจเนี่ยมันจะทําผิดอะไรไปทันทีว่าเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนั้นนึงไอ้ทันทีอยู่ น, นี่เราจะรู้จักอ่าเราเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพัฒนาใจหนึ่งพระพุทธหนึ่ง พ, พระธรรมหนึ่ง พ, พระสงฆ์สามประการนี้เอาไว้ในจิตของเรา ในจิตเป็นพุทธจิตเป็นธรรมจิตเป็นสงมันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วมันช่วยช่วยร้องกันคุ้มครองเราได้ตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใ จ, จกับช่องธรรมธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน การตุ้ครับ